แนะนำบทอัลกออร์ลบทอัลกออร์ลเป็นบทมักกิยามีห้าสิบสองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญหลักสามเรื่องด้วยกันหนึ่งเรื่องสารซึ่งพวกปฏิเสธชาวมักกานํามาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของมุฮัมมัดอิบนูอับดุลละสัลลลอห์อะไลวะสัลลัมสองเรื่องของชาวสวนเพื่อชี้แจงถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺ 3. โลกอาคิรอที่มีทั้งความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สำหรับสองกลุ่มคือบรรดามุสลิมและพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เป้าหมายหลักซึ่งบทนี้กล่าวมากคือเรื่องการยืนยันการเป็นนบีของมูฮัมมัดสลลลละัลวะสลัมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงตาแหน่งอสูงส่งของท่านรอซูนสลลลละไลละสลัมเกียรติยศของท่าน และการปลีกตัวให้พ้นจากข้อกล่าวหาซึ่งพวกมุชริกีได้กล่าวหาท่านว่าเป็นบ้าและที่ได้แจกแจงมัญญ่าอันยิ่งใหญ่ของท่านและความดีงามอันสูงส่งของท่านและบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของคนชั่วที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลซละลลอออะไลวะสัลลัมและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สํ <diesem ec al> าหรับพวกเขาคือการลงโทษและการตอบแทนที่สาสม ต่อมาในบทได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกกุฟฟาชาวมักกะที่ปฏิเสธความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลละ์ด้วยการส่งสาศาสนทูตคนสุดท้ายมาอย่างพวกเขาและการปฏิเสธของพวกเขาในเรื่องนั้นด้วยเรื่องราวของชาวสวนซึ่งครอบครองสวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้โดยที่พวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลล์พวกเขาได้หวงแหนสิทธิของคนยากจนอนาถา อัลลอฮ์จงทรงทำให้สวนของพวกเขาพินาศและทำให้เรื่องของพวกเขาเป็นมนิทั์อุทาหอนแก่ผู้ที่ไข้ควรต่อจากนั้นบทได้เปรียบเทียบบรรดามุหมินผู้ศัทากับคนชั่วทั้งนี้ตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการชักชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นจากการทำความชั่วบทนี้ได้กล่าวถึงวันกิยมามะสภาพและความน่ากลัวของวันนั้น และทาทีของผลชั่วและได้จบลงด้วยการให้ทนรอลสลูลลลอฮฺอะลัยฮิสแลมอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุสลิมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอนนูน ขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียน ب ب ด้วยความโปรโดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติและแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างไม่ขาดสายและถ้าจริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างไม่ขาดสาย และแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันใหญ่หลวงแล้วเจ้าจะได้เห็นแล้วพวกเขาก็จะได้เห็นว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือคนวิกลจริตแท้จริงถ้าผู้อภิบาลของเจ้านั้น พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องฤฤฤฤฤดังนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยวดดพวกเขาใคร่ที่จะเห็นว่าหาก เจ้าอ่อนข้อและพวกเขาก็จะอ่อนข้อตาและเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นผู้สาบานที่ต่ำมม ช, ชา้าผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่นผู้ขัดขวางการทำความดีผู้อาธรรม หมีบบานานเป็นคนหยาบคายยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนหยาบช้าอีกด้วยอโดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมากดอว่าเขาเา็นผู้มีทรยาสินและมีบตรลานมาก เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขากล่าวว่ามันเป็นนิยายสมัยโบราณรเราจะตีตราบนปลายสมุูกเราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวน เมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในอย่ามรุนแและพวกเขาไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮนดังนั้นการลงโทษจากพระผู้วิบาลของเจ้าก็ได้ทำลายสวนนั้น ขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่รครั้งเมื่อตอนเช้ามันก็กลายเป็นเช่นสิ่งถูกตักอย่างราบเรียบดังนั้นพวกเขาจึงกู่ตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตรู่รจงเข้าไปในสวนของพวกเจ้าในตอนเช้าตรูเ่เถิดหากพวกเจ้าต้องการจะเก็บ าอลไแล้วพวกเขาพากันออกไปโดยพวกเขาพูดกระซิบซึ่งกันและกันอย่างเบาๆว่าวันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่งเข้าไปหาพวกเจ้าในสวนนั้นแล้วพวกเขาก็ได้ออกไปแต่เช้า ตั้งใจว่าจะเก็บผลไม้ให้หมดก่อนที่คนยากจนจะเข้าไปในสวนขั้นเมื่อพวกเขาเห็นสวนอยู่ในสภาพที่ถูกทำลายพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราหลงทางเสียแล้วบางนนคนกล่าวว่าเปล่าบอก คนที่มีัญงหมพวกเขากล่ามัม่ได้บวกเจ้าดอ้ว่ า, ามพวกเจ้าจล่าวสดีคนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าดอกนี้ ว, ว่าทำไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวสารรดี نا, อัลลอฮพวกเขาจึงกล่าวว่าพระผู้อวยพรของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ แท้จริงเรานั้นเป็นผู้อาธรรมและบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและกันพวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะประสบแก่พวกเราแล้ว เพราะเราเป็นผู้ฝ่าฝืนอบนางทีพระผู้อภิบาลของเราจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เราแท้จริงเราหวังในความอภัยต่อพระผู้อภิบาลของเรา เท่นนั้นแหละการลงโทษและแน่นอนการลงโทษในประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้อินนมุตตะนอิดริมันนตินนถ้าจริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงหน้าที่พระผู้อภิบาลของเขานั้น คือสวนสวรรค์อันบรารมีสุข ด, ดังนั้นเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้เป็นมุสลิมเสมือนกับเราได้ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดครานั้นหรือเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้า ทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้นอํละคุมคิธบฟีฮิตะดรัสูนหรือว่าพวกเจ้ามีคัมภี์ไว้สําหรับอานอินนละคุมฟีฮิลมาตักัยรุนซึ่งในคัมภีร์นั้นมีสิ่งสําหรับพวกเจ้าที่พวกเจ้าจะเลือกเอาได้อํละคมอียมานอะลัยนาบาลิกะตุอิลายะมิลกิยามะอินนละคุมละมาตะฮ์กุมุน หรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจนกระทั่งถึงวันเกี่ยมะว่าแท้จริงสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้กระทําตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว้มุฮัมมัด uh จงถามพวกเขาดูว่าคนใดในหมู่พวกเขาจะเป็นหัวหน้าในการตัดสินเรื่องนั้น أم لهمشركاء فليأتوا ب ش ر ك ا ئ ه ن كانوا صادقين หรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนกับ الله, อัลลอฮ์ก็จงให้พวกเขานำหุ้นส่วนของพวกเขามาหาพวกเขาบุตร์จึงวันที่น่าแข้งจะถูกเปิด ในวันกิยามะพระเจ้าจะมาตัดสินคดีหน้าแข้งของพระองค์จะถูกเลิกขึ้นและพวกเขาจะถูกเรียกให้มากราบแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะกราบได้า الله, สายตาของพวกเขาจะละห้อยความํำต้อยจะปกทุมพวกเขาและแน่นอนพวกเขาเคยถูก เรียกให้มากราบแล้วขณะที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยฉัน้นัจงปล่อยให้ข้าจัดการเถิดสำหรับผู้ปฏิเสธต่อคัมภีร์อัลกุรอานเราจะนำพวกเขาสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่ พวกเขาไม่รู้และข้าจะประวิงเวลาให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของข้านั้นแข็งแรงนะหรือว่าเจ้าได้ขอข้าตอบแทนจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนัก มีหรือว่าพวกเขารู้สิ่งเร้นลับและพวกเขาบันทึกเอาไว้ับิดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อไปเถิดต่อข้อที่ขาดของพระผู้อภิบาลของเจ้าและอย่าเป็นดังเช่นเจ้าของปลาขณะที่เขาวิงวน หากไม่ใช่พระความเมตตาจากพะวิบาของพวกเขามีมาอย่งเขาแล้วเขาคงถูกเวียนไปยังที่โลงเปรียนและเขาจะถูกตำหนด้วยากมิใช่พระความเมตตาจากพระผู้วิบาลของพวกเขามีมายังเขาแล้วเขาคงถูกเวียนไปยังที่โลงเปียนและเขาจะถูกตำหนิด้วย แต่พระผู้อวบาลของเขาทรงคัดเลือกเขาและทรงให้เขาอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดีและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสายตาของพวกเขาแทบมองจ้องเขม็งไปยังเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่า ถ้าจริงเขาเป็นคนบ้าแน่ๆแต่อัลกุรอานนั้นมีใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติในสากลโลก